จงช่วยความจำของคุณจุดมุ่งหมายสมองที่ปราศจากความมุ่งหวังคือสมองที่ไม่อาจที่จะมีความจำที่ดีได้จากการทดลองของนักจิตวิทยาได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งถึงความจริงดังกล่าวข้างต้นนี้จากการทดลองนี้ปรากฏว่าเมื่อมนุษย์ตกอยู่ในสภาพที่ไม่แลเห็นความหวังไม่มีความมุ่งหมายใดๆรออยู่ข้างหน้าแล้วความจาของคนคนนั้นตกอยู่ในสภาพที่เลวมาก และผลที่ได้จากงานใดๆของคนเหล่านั้นมักเป็นไปโดยการบังเอิญทั้งสิ้นเขาจะต้องใช้เวลายาวนานมากในการที่จะจดจําอะไรสักอย่างก็แล้วคุณละ่ะได้มีจุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้แล้วหรือไม่ถ้าหากว่าคุณไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีความมุ่งหมายในอนาคตเลยแล้วก็ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะหยิบยื่นความมุ่งหมายให้แก่คุณได้คนที่ปราศจากความมุ่งหวังปราศจากจุดหมายในอนาคต แม้จะมีอยู่เป็นจำนวนมากในโลกนี้แต่คนเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในสภาพปกติธรรมดาเขาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะการขาดความจําแต่เขาถูกจุดให้หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะสภาพจิตที่ผิดปกติดังนั้นแล้วผู้ที่จะช่วยเขาได้ก็คือจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นไม่มีประโยชน์ที่เขาจะขวนขวายหาวิธีช่วยเสริมพลังความจา เพราะสภาพทางจิตของเขาไม่ยอมให้เขาทำเช่นนั้นได้นอกเสียจากจะได้รับการเข้าใจทางจิตแพทย์อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นประหนึ่งแม่เหล็กที่มีความสำคัญมากแต่ถ้าจะให้เกิดผลดีแก่การเสริมความจําจริงๆแล้วเราจะต้องแยกจุดมุ่งหมายออกเป็นส่วนสัต์ต่างหากจากกันตามเป้าหมายนั้นๆเมื่อตั้งจุดมุ่งหมายไว้หลายจุดเราจะต้องดาเนินให้ลุล่วงไปเป็นจุดๆเป็นขั้นกันไปโดยลาดับ เช่นถ้าคุณได้ตั้งจุดมุ่งหมายในขั้นแรกไว้ว่าฉันจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้กับวิชานั้นๆภายในเวลา6เดือนดังนั้นฉันจะต้องแบ่งวิชาที่จะต้องเรียนรู้ออกเป็นส่วนๆภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ฉันจะต้องเรียนรู้ไปไกลกว่านั้นแค่นั้นแหละในเดือนหนึ่งฉันจะต้องเรียนรู้ให้ถึงแค่นั้นแค่นั้นและอื่นๆในการที่คุณตั้งความมุ่งหมายไว้ในจุดหมายปลายทางอันใดอันหนึ่งแล้วนั้นในการปฏิบัติตามความมุ่งหวังในครั้งแรก คุณอาจจะพบกับความยากลาบากใจแต่ถ้าคุณได้มีความตั้งใจอย่างแท้จริงแล้วผลที่คุณจะได้รับก็คือความสำเร็จหรือชัยชนะในที่สุดข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหากใครก็ตามยอมรับว่าเขาไม่มีความมุ่งหวังอันใดในชีวิตเลยนั้นมันไม่ใช่เป็นเพราะความจำของเราเสื่อมซามกว่าเพื่อนฝูงทั้งหลายหากเป็นเพราะสุขภาพของเขาเสื่อมซ้ำมากกว่าต้องมีความเอาใจใส่ที่จะจา อุปกรณ์สำคัญในการช่วยความจำนั้นได้แก่การที่เราจะต้องมีความสนใจจริงหรือความเอาใจใส่ในการที่จะจดจำก่อนที่จะพูดต่อไปในการช่วยความจำข้าพเจ้ามีปัญหาห้าหกข้อที่จะขอถามเพื่อที่คุณจะได้ตอบเป็นการสำรวจระดับความเอาใจใส่ที่จะจำของคุณเอาละ่ะเตรียมดินสอรหรือปากกาไว้ได้แล้วอ้าวคุณไม่มีดินสอรหรือปากกาอยู่ในขณะนี้เลยหรือถ้าเช่นนั้น คุณก็อ่านตำราเสริมสร้างพลังความจำโดยไม่มีสิ่งที่จะใช้ขีดหรือหมายเหตุข้อความที่คุณควรจะจดจำเลยนะสิถ้าเป็นเช่นนั้นคุณก็ได้เครื่องหมายกาดำไว้หนึ่งคะแนนแล้วละสิคราวนี้มาตอบคำถามข้าพเจ้าต่อไปถ้าคำตอบของคุณต่อคำถามต่อไปนี้ไปในทางตอบรับขอให้คุณขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมความเอาใจใส่ของคุณได้ถูกขันเข้าไปบ้างหรือไม่ ในการอ่านหนังสือบทสุดท้ายคุณได้อ่านข้ามข้อความบางตอนไปตอนหนึ่งหรือมากกว่าบ้างหรือไม่ขณะที่คุณอ่านหนังสือคุณได้จุดบุหรี่สูบมวนหนึ่งหรือมากกว่านั้นใช่หรือไม่ขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือคุณได้เงยศีรษะขึ้นเพราะได้มีเสียงอื่นมาดึงความสนใจของคุณไปใช่หรือไม่ก่อนที่คุณจะเริ่มอ่านหนังสือคุณได้มีสิ่งที่จะใช้จดบันทึกอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วหรือว่าคุณจะพักการอ่านเพื่อไปหยิบสิ่งเหล่านั้น ในขณะที่คุณกําลังอ่านหนังสือคุณเกิดมีความกระวนกระวายผุดลุกผุดนั่งเปลี่ยนอีริยาบทบ่อยๆใช่หรือไม่คุณได้ละสายตาจากการอ่านหนังสือเพื่อหันไปดื่มกาแฟดื่มน้ําหรือกินขนมหรือเคี้ยวหมากฝรั่งหรือละสายตาจากการอ่านเพื่อหยุดพักเป็นบางครั้งใช่หรือไม่ในระหว่างการอ่านหนังสือนั้นคุณเกิดอาการเคร่งเครียดใช่หรือไม่เอาละคุณตอบโดยการขีดเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วใช่ไหม จงตรวจดูถ้าคําตอบของคุณเป็นในทางรับบาช่ายห้าข้อหรือมากกว่านั้นแสดงว่าความสนใจของคุณไม่ได้เพ่งเล็งอยู่กับการอ่านนั้นอย่างแน่ๆจัดว่าสมาธิของคุณไม่ดีนักจิตใจของคุณมักจะล่องลอยไปจากหนังสือเบื้องหน้าซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการทํางานของคุณและการอ่านหนังสือตามคําถามข้างต้นนี้หมายถึงการอ่านในระยะเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งในระยะเวลา10นาทีนี้คุณควรจะได้มีความสนใจในการอ่านอย่างแน่แน่ จงควบคุมสมาธิของคุณคนส่วนมากมักมีการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆโดยไม่ได้ตั้งใจไม่รู้สึกตัวหลายต่อหลายอย่างด้วยกันขอให้คุณสังเกตดูเพื่อนร่วมชั้นเรียนของคุณจะพบว่าเขาอาจจะสูดหายใจเข้าแรงๆบางคนจะเกาเนื้อตัวขยุก ข, ขยิกบางคนถอนใจใหญ่บางคนสั่งน้ำมูก บางคนมีท่าทางกระวนกระวายบางคนใช้ปลายนิ้วเคาะโต๊ะบางคนแอบผิวปากเบาๆบางคนหวีผมบางคนแค่หูและอื่นๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของการทําความสนใจในวิชาที่กําลังเรียนทําลายสมาธิในการดูหนังสือทั้งสิน้นดังนั้นถ้าต้องการเสริมพลังความจําจงนั่งศึกษาด้วยสมาธิเพ่งเลง็งความเอาใจใส่อยู่แต่เฉพาะหนังสือที่วางกลางอยู่เบื้องหน้าฝึกตนให้เป็นคนนั่งอยู่กับโต๊ะเรียนนิ่งๆแต่ไม่เคร่งเครียดต้องอยู่ในลักษณะปล่อยตัวตามสบายสายตาทั้งคู่ เพ่งเล็งอยู่ที่ตัวอักษรเบื้องหน้าเพื่อที่จะเก็บทุกท้อยความในหนังสือเล่มนั้นเข้ามาบรรจุไว้ในสมองช่องความจําจงสังเกตการหายใจของคุณด้วยจงหายใจด้วยการบังคับได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะในระหว่างการหายใจกับความเอาใจใส่นั้นมีส่วนสัมพันธ์กันอยู่มากทีเดียวจงหายใจช้าๆให้ปอดของคุณทางานอย่างเต็มภาคภูมิจะช่วยให้ความสนใจของคุณแน่วแน่ยิ่งขึ้นการกระทาที่ซ้าๆกัน การกระทำที่ซ้ำๆกันนั้นนับว่ามีบทบาทมากในอันที่จะให้ได้มาซึ่งความจำที่ดีดังได้กล่าวมาแล้วในบทต้นๆและขอย้ำไว้อีกครั้งในบทนี้และขอให้จำไว้ว่าเป็นการไร้ประโยชน์ในการที่คุณพยายามที่จะจำโดยการกระทำซ้ำๆถ้าหากว่าคุณไม่สามารถจะควบคุมพลังความตั้งใจของคุณให้พุ่งอยู่แต่เฉพาะสิ่งที่ต้องการจะจำนั้นได้อย่าศึกษาวิชาใดๆก็ตามโดยปราศจากแผนการ จงให้ความเอาใจใส่ในความหมายของคำทุกคำในเรื่องที่คุณต้องการจะจำนั้นๆอย่าใจลอยคุณจะไม่มีทางที่จะจดจำอะไรได้แม่นยำเว้นเสียแต่ว่าคุณจะให้ความสนใจแก่สิ่งนั้นอย่างแท้จริงและคุณไม่อาจให้ความสนใจได้เลยในเมื่อคุณตกอยู่ในสภาพของคนที่กำลังหลับสนิทในทำนองเดียวกันคุณก็ไม่อาจจะให้ความสนใจในสิ่งที่คุณจะจำได้อย่างเต็มที่ถ้าหากว่า คุณตกอยู่ในลักษณะของคนครึ่งหลับครึ่งตื่นในลักษณะของคนฝันกลางวันหรือคนใจลอยมนุษย์เรานั้นแม้ในขณะที่เขากําลังทํางานหรือเรียนหนังสืออยู่นั้นก็อาจจะตกอยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นได้ยิ่งกว่านั้นบางคนขณะที่ทํางานหรือศึกษาเรื่องหนึ่งเขากลับปล่อยใจให้คิดไปถึงอีกเรื่องหนึ่งได้และเป็นได้บ่อยเสียด้วยในกรณีเช่นนี้เขาจะไม่มีทางจําสิ่งที่เขาต้องการจะจํานั้นได้เลย เมื่อคุณอ่านหนังสือนี้มีจํานวนหน้าหนังสือและตัวอักษรมากมายเพียงใดที่คุณได้ผ่านๆไปโดยขาดความสนใจอย่างแท้จริงเมื่อคุณมองดูสิ่งต่างๆในถนนคุณได้แลเห็นสิ่งต่างๆทั้งมนุษย์สัตว์สิ่งของมากมายหลายอย่างหลายรายละเอียดเพียงใดเมื่อคุณนั่งรถโดยสารประจําทางหลายต่อหลายครั้งที่คุณได้นั่งประจันหน้ากับบุคคลบางคนแต่แล้วคุณจําคนเหล่านั้นไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรตอบง่ายๆว่า เพราะคุณขาดความสนใจที่จะจำและเพราะคนที่ชอบฝันกลางวันหรือใจลอยย่อมขาดความสนใจดังนี้แล้วคุณย่อมไม่มีทางจะจำอะไรได้ถ้าคุณอยู่ในลักษณะของคนใจลอยการฝึกฝนความจำข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่ามีความสำคัญเพียงใดในการที่เราจะต้องตเตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะลงมือจำสิ่งใดก็ตามและในบทสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวย้ำอีกครั้งว่า ความจำนั้นก็เปรียบเสมือนสัตว์ป่าตัวเปรี่ยวที่จะต้องดักไว้ให้อยู่ด้วยแล้วเพื่อที่จะไม่ให้มันหลบหนีเราไปได้และการฝึกฝนนั้นเป็นทฤษฎีที่ดีที่สุดในการดักความจำให้ติดอยู่ในสมองช่องความจำของเราแม้ว่าคนที่มีความจำเลวที่สุดแต่ถ้าได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอๆแล้วก็จะช่วยให้เกิดมีความจำดีขึ้นได้ฟังคำว่าฝึกฝนแล้วทาให้คุณกลัวหรือเกิดความเบื่อหนมาใช่ไหม คุณคิดว่าจะต้องใช้เวลาฝึกวันละหลายๆชั่วโมงกระนั้นหรือถ้าคุณเกรงเช่นนั้นขอตอบว่าไม่จริงเลยสมมุติว่าคุณจะใช้เวลาในการฝึกฝนความจําของคุณเพียงวันละสิบนาทีในระยะเวลาหนึ่งปีคุณฝึกสามร้อยหกสิบครั้งครั้งละสิบนาทีคุณจะมีเวลาฝึกรวมถึงสามพันหร้อยนาทีซึ่งเท่ากับหกสิบชั่วโมงคราวนี้ลองนึกภาพดูสิว่าคุณจะได้อะไรมาบ้างในการใช้เวลาฝึกวันละสิบนาทีแล้วลองคํานวณต่อไปว่า ถ้า60ชั่วโมงคุณจะได้ผลมากเพียงไรความจริงอันนี้ใช้ได้กับการฝึกความจําของคุณและจะเกิดผลดีถ้าหากว่าคุณปฏิบัติดังนี้จงฝึกฝนทุกวันแม้วันละ1ิบนาทีอย่าให้ขาดได้แม้วันเดียวและจงตั้งใจจําให้มากที่สุดจากเวลา1ินาทีนี้การจําให้มากที่สุดในเวลาเพียงสินาทีในหนึ่งวันหมายความว่า คุณจะต้องไม่ยอมให้เสียเวลาไปเปล่าๆแม้เพียงหนึ่งวินาทีในระหว่างเวลา10นาทีนี้ดังนั้นการเตรียมการให้พร้อมก่อนจะลงมือฝึกฝนจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดและในเวลา10นาทีนี้คุณจะต้องไม่ปล่อยให้เสียไปแม้แต่เพียงเพราะการจุดบุหรี่สูบหรือการดื่มกาแฟอันจะมาแย่งเวลาการฝึกของคุณไปจากวินาทีแรกที่คุณนั่งลงบนเก้าอี้หลังโต๊ะทางานคุณจะต้องสลัดสิ่งต่างๆออกไปจากจิตใจให้หมด คงไว้แต่การที่จะทําหรือฝึกเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่าลืมว่าโดยปกติแล้วจิตใจของมนุษย์เกือบจะทุกคนมักจะมีความสุขมากถ้าหากว่าจะเลี่ยงจากการตั้งใจทํางานใดๆได้ดังนั้นคุณเท่านั้นที่จะยับยั้งจิตใจของคุณที่ไม่ให้หลบเลี่ยงได้โดยแสดงให้เห็นว่าตัวของคุณนั้นฉลาดเหนือจิตของคุณข้าพเจ้าขอย้ําว่าเมื่อคุณนั่งลงที่โต๊ะทํางานนั้น คุณจะต้องตราเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องใช้ไว้ให้พร้อมสับบนโต๊ะทำงานของคุณแล้วเริ่มต้นอ่านด้วยความตั้งใจที่จะจําไม่ยอมละสายตาไปจากหนังสือที่กําลังอ่านแม้เพียงวินาทีเดียวในวันแรกๆของการฝึกเช่นนี้คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดต้องการจะลุกขึ้นด้วยการเดินไปดื่มน้ําหรือต้องการจะได้พักผ่อนสักเล็กน้อยซึ่งเหล่านี้เกิดจากธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ที่มักจะชอบเลี่ยงงานทะเลทไลไปที่อื่นทั้งสิ้นดังนั้น จงฝืนไว้อย่ายอมให้ดังใจปรารถนามันไม่ยากอะไรถ้าคุณจะฝึกทำใจให้แข็งสมมุติว่าคุณกำลังเรียนภาษาต่างประเทศและคุณต้องท่องจำคำศัพท์วันละสามคำโดยใช้เวลาฝึกท่องศัพท์3ามคำนี้10นาทีดังนี้แล้วในเวลาหนึ่งปีคุณจะได้คำศัพท์ใหม่ๆถึง 1,095 ้า้าคำซึ่งนับว่าไม่น้อยสาหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาต่างประเทศในเวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้น ระวังอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าความจำที่จะดีขึ้นย่อมต้องการการฝึกฝนทุกวันดังนั้นคุณจะต้องไม่ปล่อยให้ความตั้งใจของคุณต้องสูญเสียไปเพราะการละเลยไม่ตรงต่อเวลาการฝึกฝนความจำและเพื่อให้มั่นใจในการไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปนี้ข้าพเจ้าขอแนะว่าจงหัดกระทาตนให้เป็นคนที่ไร้ความการุณาต่อสิ่งใดๆที่จะมาทาให้ความตั้งใจของคุณต้องหันเหไปจงคิดว่า คุณกำลังปิดหูการได้ยินทุกสิ่งเว้นแต่งานที่จะทำเฉพาะหน้าคุณเท่านั้นจงอย่าเปิดประตูสำหรับคนอื่นให้เข้ามารบกวนสมาธิของคุณจงคิดว่าจะไม่ยอมให้อะไรมารบกวนความตั้งใจทำลายสมาธิของคุณได้ไม่ว่าจะโดยบุคคลโดยแสงโดยเสียงหรือโดยความต้องการบางอย่างของคุณเองเช่นต้องการสูบบุหรี่ต้องการดื่มกาแฟเตือนตนเองว่าคุณจะต้องให้ความเพ่งเล็งเฉพาะในงานที่กำลังทำเท่านั้น จงแน่ใจว่าในระหว่างเวลาของการฝึกทุกสิ่งที่คุณได้เห็นหรือได้ยินนั้นกำลังจะฝังเข้าไปในความจำของคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องการให้ฝังในความจำของคุณและในขณะเดียวกันก็มีสิ่งต่างๆอีกมากที่คอยรบทำลายสมาธิของคุณเช่นเสียงเดินติกต๊กของนาฬิกาเสียงแว่วของดนตรีที่ดังลอยมาจากที่อื่นเสียงเท้าของคุณเองเคลื่อนไหวขณะเปลี่ยนอิริยาบถและอื่นๆ จงพยายามปิดหูของคุณเสียจากเสียงรบกวนเหล่านี้เพราะถ้าคุณให้ช่องว่างให้มันเข้ามาในจิตใจของคุณได้แล้วมันจะมาทำลายความสนใจในการงานที่คุณกำลังทําอยู่ทันทีจงอย่ากระทำตนเป็นคนพลัดวันประกันพรุ่งโดยบอกกับตัวของคุณเองว่าวันนี้ฉันจะไม่ฝึกงดเสียวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้จะทาเพิ่มเป็นสองเท่าเพราะการทาเช่นนี้นับว่าเป็นการผิดพลาดอย่างมหัน ถ้าคุณเป็นคนกำหนดเวลาฝึกไว้เองจงกระทำตนให้เป็นคนที่ตรงต่อเวลาแม้ว่าคุณกำลังอ่านนวนิยายถึงตอนที่กำลังสนุกสนานตื่นเต้นค้างอยู่ก็ต้องละเว้นทันทีเมื่อถึงกำหนดเวลาฝึกฝนความจำถ้าคุณตั้งเวลาไว้ว่าจะลงมือฝึกฝนเวลาสองทุ่มตรงแล้วล่ะก็ในเวลาอีกหนึ่งวินาทีจะสองทุ่มคุณจะต้องนั่งก้มหน้าดูตำราอยู่ที่โต๊ะแล้ว อย่าพยายามผลัดต่อไปไม่ว่าคุณกำลังจะทำอะไรติดพันอยู่เพราะนั่นจะทำให้คุณกลายเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองการอ่านเพื่อช่วยความจําโดยปกติแล้วการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการจําข้อความต่างๆที่คุณต้องการจะจําเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคุณจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะปรับปรุงการอ่านให้ดีขึ้นด้วยการยางรวดเร็วด้วยการอ่านโดยไม่เบื่อนาย โดยปกติทั่วไปแล้วเรามีวิธีการกันอย่างไรคนส่วนมากมักจะอ่านหนังสือเรียงตัวกันไปคำต่อคำสายตาของเขาจะกระโดดไปตามตัวอักษรแต่ละตัวแต่ละคำในบรรทัดหนึ่งไปยังอีกบรรทัดหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนจบในแต่ละหน้าในการอ่านตามวิธีดังกล่าวนี้แหละคือต้นเหตุประการแรก ที่ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายในการอ่านหนังสือประการที่สองการอ่านเรียงตัวคำต่อคาแบบนั้นจะทำให้ยากต่อการที่จะจำทุกถ้อยคำในแต่ละประโยคที่อ่านผ่านไปนั้นดังนั้นขอเตือนว่าอย่าอ่านแบบคำต่อคาเพราะนอกจากจะเป็นการอ่านอย่างปราศจากความหวังในอันที่จะจดจำข้อความเหล่านั้นได้แล้วคุณจะจำอะไรไม่ได้เลยอีกด้วยคนอีกบางพวกมีวิธีการอ่านประโยคในกลุ่มของคาเป็นกลุ่มๆไป จากการอ่านวิธีนี้จะช่วยประหยัดทั้งเวลาและพลังงานแต่คนเหล่านั้นอ่านคำเป็นกลุ่มๆโดยไม่ได้สนใจหรือเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงความหมายของประโยคที่ได้อ่านผ่านไปนั้นทั้งประโยคและด้วยวิธีนี้การอ่านก็ย่อมไม่ช่วยให้คุณเกิดมีความจำดีขึ้นแม้แต่น้อยแต่บุคคลอีกประเภทหนึ่งมีวิธีการอ่านผ่านไปอย่างรวดรเร็วโดยอ่านรวดเดียวหมดประโยคหรือเครื่องประโยค การอ่านแบบนี้จัดว่าดีมากและในขณะเดียวกับการอ่านนั้นเขายังสามารถเข้าใจความหมายอย่างแท้จริงของแต่ละประโยคนั้ น, น, นด้วยตั้งแต่บทต้นจนจบบทแต่ละบทไป